ร่วมด้วยช่วยกันจริงๆในที่สุดท่านอาจารย์ลมก็ไปขอให้รายการร่วมด้วยช่วยกันมาเป็นสื่อกลางที่จะประชาสัมพันธ์ว่าผู้ประสบภัยเดือดร้อนอยังต้องการความช่วยเหลืออย่างไรบ้างยังขาดแคลนสิ่งของอะไรเมื่อได้รับการตอบรับจากทางรายการท่านก็ไปออกรายการและเล่าให้ได้ทราบถึงความเดือดร้อนต่าง ความช่วยเหลือต่างๆที่ต้องการและเมื่อได้รับสิ่งของที่ส่งมาช่วยเหลือท่านก็นำเอาสิ่งของบริจาคเหล่านั้นไปส่งให้ถึงจุดต่างๆบางครั้งท่านได้ขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานอื่นๆว่าตอนนี้จุดนี้ขาดอะไรส่วนพวกเราก็จะบอกบุญมาทางกรุงเทพอย่างเช่นต้องการต่อแกส๊สเครื่องอุปโภคบริโภคเราก็แจ้งมายังลูกศิษย์หลวงตาผู้คนที่เราบอกบุญก็เช่นแม่จันแก้วคุณสมยศที่เคยร่วมบุญกันมา โทรศัพท์เข้ามาบอกว่าต้องการจะช่วยเหลือแล้วก็ส่งเงินกันมาอย่างคุณประภัยพรและอีกหลายท่านก็ได้ร่วมฝากเงินทําบุญมาได้นํามาใช้ช่วยเหลือในงานนี้ด้วยก่อนที่พวกเราจะออกเดินทางลงใต้นี้ก็มีผู้ฝากเงินเพื่อร่วมส่งเคราะห์กันหลายคนนี่แหละความศรัทธาของลูกศิษย์หลวงตาที่พอรู้ถึงความเดือดร้อนก็ฝากกันไปทันที ซึ่งเราก็ได้นำเอาไปส่งเคราะห์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ที่เดือดร้อนโดยตรงในทันทีเหมือนกันก็ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ร่วมกันสร้างกุศลในครั้งนี้